ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลสำคัญนะของคนทั้งโลกก็ว่าได้พูดอย่างนี้หลายคนก็นึกออกนะนนเทศกาลฟุตบอลโลกนะซึ่งยาวนานนะถึงหนึ่งเดือนตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วสามในสี่นะอาทิตย์หน้านี้ก็เป็นอาทิตย์สุดท้ายสำหรับหลายคนเนี่ยมันเป็นเทศกาลแห่งความสุขนะเพราะว่าเป็นเทศกาลที่ผู้คนมีความหวังนะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นนะ ได้พบอะไรที่ทำให้ใจฟูรวมทั้งมันทำให้เกิดความหวังมันปลูกประกายความหวังขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ก่อนจะเริ่มเทศกาลนี้แล้วแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นเทศกาลแห่งความสุขอย่างเดียวนะสาหรับหลายคนเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาแห่งความทุกข์ด้วย โดยพอเมื่อทีมของตัวหรือทีมที่ตัวเองเชียร์เกิดแพ้ขึ้นมาหรือหนักกว่านั้นคือตกรอบเนะี่หลายคนก็รู้สึกเศร้าโศกเสียใจคับแค้นหรือถึงแม้จะทีมของตัวไม่ได้ภ่ายแพ้อะไรแต่ว่าบางครั้งความตื่นเต้น มันก็สร้างปัญหานำไปสู่ความทุกข์ได้เหมือนกันนะอย่างเช่นเ็าพบว่าเนี่ยช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกนี่จะมีคนจำนวนมากนี่ล้มป่วยเลยนะเพราะเป็นโรคหัวใจหรือว่าเป็นเพราะหัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างในเยอรมันเนี่ย เมื่อปี49เน่ยเยอรมันเป็นเจ้าภาพนัดไหนที่เยอรมันลงแข่งนะบอกว่าคนที่เข้าโรงพยาบาลเพราะโรคหัวใจหรือภาะหัวใจเต้นผิดจังหวะ น, นี้มันเพิ่มนะเกือบสามเท่านะและแน่นอนนะส่วนใหญ่เป็นผู้ชายอันนี้ยังไม่รู้ผลแพ้ชนะเลยนะ แค่ได้เห็นทีมของตัวเองแข่งขันนี่ความตื่นเต้นการลุ้นอาจจะเป็นความดีใจก็ได้เรื่อะเป็นความผิดหวังก็ได้นะก็ทำให้ถึงกับหัวใจวายไปเลยแล้วยิงถ้าเกิดทีของตัวเองพ่ายแพ้อยู่นะโอ้มันนอกจากตัวเองจะเป็นทุกข์ล้มป่วยเลยนะคนหนึ่งก็พลอยเดือดร้อนไปด้วยอย่างก็พบว่าเนี่ยใน อังกฤษเนี่ยเวลามีการแข่งฟุตบอลโลกถ้าทีมอังกฤษลงแข่งเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อปี 5-3 นะนัดไหนที่ทีมอังกฤษแพ้นะปรากฏว่าความรุนแรงในครอบครัวในอังกฤษนี่จะเพิ่มนะเป็นเกือบ 40% ซก็คงเป็นเพราะว่าอพอ ทีมของตัวเองแพ้ผิดหวังนะเสียใจและพอผิดหวังเสียใจนะมันก็มักจะนำมาซึ่งความโกรธนะความหงุดหงิดมันก็เลยระบายนะใส่คนในครอบครัวซึ่งอาจจะเป็นภรรยาอาจจะเป็นลูกนะก็กลายเป็นช่วงเวาลาแห่งความทุกข์ นะความเจ็บปวดของคนจานวนมากเนีไอความสุข ก, กับความทุกข์นี่มันก็มาด้วยกันนะเช่นเดียวกับความดีใจและความเสียใจความหวังและความผิดหวังยันเทศกาลพุบอลโลนนี่มันไม่ได้มีแต่สีสันที่สดใสนะควบคู่ไปมันก็มีความหดหู่หม่นหมองด้วยโดยเพราะ กับคนที่ผิดหวังเพราะว่าถีของตัวเองมีภ่ายแพ้อันนี้ยังไม่นับนะคนที่ตื่นเต้นกับการดูฟุตบอลไม่ว่าจะสมหวังหรือไม่สมหวังเนี่ยพอเทศกาลนี้จบนะจากเดิมที่มีความตื่นเต้นมีความสุข อปิดเทศสการ์หลายคนนี่หดหูไปเลยนะเคว้งไปเลยเพราะว่าสิ่งที่เคยทําความตื่นเต้นความสุขสนุกสนานเนี่กับตัวนี้มันหายไปแล้วมันจบแล้วไอ้ที่เคยลุ้นนะตลอดทั้งเดือนบอกกัว่าอยู่ดูมันก็หายวับไปจากตื่นเต้นดีใจกลายเป็นหดหูเนะี่ย น, นี่ก็ธรรมดาเหมือนกันนะดีใจคู่กับเสียใจตื่นเต้นก็กับวความหดหูอันนี้มันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเราเนี่ยนะปล่อยใจไปกับอารมณ์หรือไปกับสิ่งที่เห็นมากเกินไป น, นั้นถ้าเราไม่อยากจะเป็นทุกข์นะเพราะเทศกาลฟุตบอลโลกเนี่ยนะ หรือเทศกาลไหก็ตามเนี่ยก็ไม่ควรนะปล่อยใจไปตามอารมณ์อย่างสุดๆเพราะว่าถ้าเราดีใจสุดๆนะถึงเวลาก็จะเสียใจสุดๆเหมือนกันถ้าเราตื่นเต้นสุดๆนะไม่ช้าไม่นานมันก็จะหดหูติดตกต่ำย่าแย่ดูแลรักษาใจของเราบ้างนะอย่าปล่อยให้มันเวี่ยงนะไปอย่างสุดๆ ดีใจก็ดีใจพอประมาณเพราะว่าถึงเวลาเสียใจมันก็จะได้ไม่เสียใจมากเวลาตื่นเต้นนะก็ตื่นเต้นพอประมาณนะยับยังช่างใจบ้างเพราะไม่งั้นนี่ไม่ช้าไม่นานมันก็จะหดหูแล้วถ้าใอ้ดีเนี่ยก็ควรเผื่อใจไปด้วยนะเวลาดูฟุตบอลเผื่อใจ ว่าทีมของเราแม้จะเก่งยังไรเนี่ยก็อาจจะแพ้ได้ผลนี่มันอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังแม้จะมีดาราดังมีคนเก่งมากมายมีสถิติชัยชนะที่สูงหลายคนเนี่ยล้มป่วยนยหัวใจวายเนี่ยเพราะว่าผิดหวังอย่างรุนแรงเนื่องจากทีมของตัวเนี่ยมันไปพ่ายแพ้อย่างไม่น่าพ่ายแพ้ เช่นไปไพ่แพ้ให้กับทีมรองเผื่อใจไว้บ้างนะว่าอะไรอก็ไม่แน่ที่จริงเนี่ยถ้าเราดูบอลเป็นนะมันจะไม่ทุกมากนะแล้วเราก็จะเห็นเลยนะโอ้มันแสดงสัจธรรมให้เราเห็นเลยนะว่าอะไรอไรก็ไม่แน่อะไระไรก็ไม่เที่ยงทีมที่เก่งก็ไม่ได้แปลว่าจะชนะไปทุกนัด บางทีไอ้สิ่งที่เราเรียกว่าพิกล็อกเนี่ยก็เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อทุกนัดมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทุกนัดอย่างเมื่อ8ปดปีก่อนเนี่ยโอ้บราซิลเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกเนี่ยเป็นเต็งหนึ่งเลยนะแต่ว่าพอถึงนัดสำคัญนี่ก็ไปพ่ายแพ้เยอรมันเนี่ถึงหกหนึ่งนะหรือว่าเจ็ดหนึ่งมันไม่เคยมีการทำสถิติพ่ายแพ้ขนาดนี้มาก่อนนะใน รอบลึกๆของฟุตบอลโลกเนี่ยแต่เกิดขึ้นกับบราซิลนะซึ่งถือว่าเป็นาราชานะของฟุตบอลเยอรมันนี่ก็ปีนั้นก็กลายเป็นแชมป์แล้วก็ได้รับการยกย่องมากคนก็จับตามม้อว่าวการเตรีย ม, ท, ท, ยมทีมของเยอรมันนี่น่าสนใจแต่พอฟุตบอลโลกครั้งต่อไปนะครั้งถัดมาเนี่ยเมื่อปีหกหนึ่งเนี่ย เยอรมันแชมป์เก่าก็ตกรอบไปเลยตั้งแต่รอบแรกเลยนะแถมแพ้ทีมรองบอล น, นะอย่างเกาหลีด้วยและฟุตบอลโลกครั้งนี้เยอรมันก็ตกรอบอีกนะไปแพ้ญี่ปุ่นอีกนะวันนี้มันมันไม่เที่ยงเลยนะคนเก่ยงยังไรเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะสำเร็จไปตลอดเหมือนกับเหมือเกมชีวิตนะไม่ใช่ว่าเราจะ รสบแต่ความสำเร็จนะนถ้าเราเข้าใจสัจธรรมจากฟุตบอลโลกเนี่ยเราก็จะเห็นสัจธรรมของชีวิตนะว่าอะไรอะไรก็ไม่แน่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าประมาทนะเราก็ตั้งจิตตั้งใจให้เผื่อใจไว้นะว่าอะไรอะไรก็ไม่เที่ยงและถ้าดีเนี่ยก็ใช้โอกาสนี้มาดูจิตดูใจของตัวเองด้วย นะเวลามันดีใจก็เห็นความดีใจเวลามันเสียใจก็เห็นความเสียใจฝึกเอาไว้ได้ประโยชน์หรือว่าเวลามีความโกรธก็เห็นความโกรธรวมนั่งเห็นนะนิสัยใจคอของเราเนี่ยนะเวลาทีมของเราหรือทีมที่เราเชียร์นะเข้าโกงเข้าฟาวแต่กรรมาการไม่เห็นเราก็เออดีใจบางครั้งก็ ออฟไซด์ site, นะแต่ว่ากรรมการไม่เห็นก็ดิงประตูเข้าแล้วก็ดีใจทั้งที่มันเป็นชัยชนะที่ไม่ถูกต้องแต่มันถูกใจเนะี่ยในขณะที่ทีมอีกทีมหนึ่งซึ่งเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเราเพียงแต่เขาคนไม่ใช่เป็นทีมที่เราเชียร์เขาทำอะไรไม่ถูกใจเราเราก็โกรธเราก็โมโหหรือบางทีช่างชักหักกระดูกเมเราโกรธเราเกลียดกับผู้คนกับทีม ที่เขาไม่ได้ทําอะไรเราเลยแต่พราะเขาไม่ใช่เป็นพวกเราหรือทีมของเราเราก็เลยโกรธเราก็เลยรู้สึกลบกับเขาก็เห็นนะว่าความยึดมั่นว่าเราของเรานี่มันน่ากลัวนะมันก็ทําให้เราเนี่ยโกรธเกลียดหรือว่ามุ่งร้ายนะต่อผู้อื่นหรือคณะอื่นได้ รักษาใจให้เป็นปกตินะแล้วก็ตั้งอยู่ในความถูกต้องนะอย่าไปเอาอย่าไปหวั่นไหวไหลไปกับความถูกใจเพะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีความทุกข์ได้ง่าย